เทศนาแผ่นที่75ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายซันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าคิดไม่เหมือนกัน แล้ววันนี้เป็นวันโกนแล้วว่าเป็นวันที่เตรียมที่จะเตรียมเป็นวันวิสาขบูชาวันพุ่งนี้นะวันพุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้เป็นวันเตรียมการของคณะสธายาติโยมลูกหลานถือว่าวันพุ่งนี้เหมือนพวกเราถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในพุทธในบริษัทของเรานะบริษัทก็คือพุทธบริษัท คือเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นวันได้ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่ดับขันวันตายของพระพุทธเจ้าอันนี้คือวันสําคัญถ้าพูดตามศัพท์ระว่าวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพานแต่ว่าพวกเราไม่ได้บวชได้เรียนเขียนอ่าน พอพูดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะแปลว่ายังไงแต่ผู้ได้รับการศึกษาแล้วก็เออพอจะพอจะเดาออกแต่หลวงพ่ออยู่บ้านนอกบ้านนาอยากหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อฟังๆรู้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจหลวงพ่อบอกเออวันเกิดพอพูดให้เจ้าเด้วันพรุ่งนี้ละวันได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาวันพรุ่งนี้และก็วัน ตายและววันดับขันของพระพุทธเจ้าวัวนพุ่งนี้3วันสาการมาร่วมกันเพราะนั้นวันนี้ในวัดของเราเออถือว่าเป็นวันเตรียมพร้อมเป็นวันเตรียมการออพวกเราก็เตรียมทั้งออสถานในวิทยุด้วยออวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของวัดปานาคาน้อยอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีหออลวงพ่อกำลังออก เสียงอยู่ขณะนี้แล้วก็หลวงพ่อจะให้หมวดดิดเป็นผู้นําไหว้พระสมาทานศีลสมาทานศีลห้าซะก่อนวันนี้นะเป็นการสตาร์ตเป็นการสตาร์ตเครื่องพอวันพุธนี้เราจะจัดทธาญาติโยมเข้ามาก็จะสมาทานศีลอุโบสถหรือศีลแปดแต่วันนี้เอาศีลห้าสัมรองไปก่อนพอเรามาทั้งทีมาวัดทั้งทั้งที วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะ เ, เห็นศรัทธาญาติโยมมากหน้าหลายต า, าหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราอย่างน้อยก็เป็นผู้มีศีลสักชั่วระยะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งคนโบราณก็บอกว่าทำคุณงามความดีนี่ถึงจะชั่วช้างกระทบหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังเป็นคุณงามความดีอยู่ถ้าความทำความชั่วก็เหมือนกัน ถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็ทำความชัว่วโดยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นก็คือความชัว่วถ้าเราทําคุณงามความดีก็คิดทำโพดออกไปถึงจะเป็นระยะเวลาน้อยเดียวนิดเดียวเอออันนั้นก็คือจุดสีขาวเออสีขาวเป็นความสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสวดวัดวาศาสนาอย่างนี้หลวงพ่อ จะให้ผู้หมวดเป็นผู้พานาไหว้พระและก็สมาทานสินคงจะยาวนานกว่าช้างกระทบหูอยู่มัง้งละไรกัคงยาวกว่าช้างแหลบหูแลบติ้นอยู่มั้งกว่าที่พวกเราจะทานอาหารเสร็จคงจะไม่คงจะไม่ขาดสัตว์คงจะไม่ข้ามวยซั์คงจะไม่ประเพสผิ ด, ดในสามีภรรยาคงจะไม่โกหกใครในช่วงนี้นะคงจะไม่ดื่มน้าเมา คงจะเป็นศีลได้อยู่นะคงจะหลายชั่วโมงอยู่หลวงพ่อว่านะตอนนี้ไปผู้หมวดเป็นผู้พานาสมาทานศีลห้านะครับตอนนี้ไปตั้งใจับสมาทานศีลวันนี้เป็นวันขึ้นส4บสี่ค่ำเดือนหกวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชา ทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศไทยระดมพูดกันในสื่อต่างๆเพราะนั้นวัดของเราก็คือวัดหนึ่งเป็นวัดที่พวกเราพณะทธช า, ายาโยมทั้งหลายควรจะตื่นตัวตื่นใจประกอบคุณงามความดีวันเช่นนี้เพราะถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อให้ออกสถานในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 107.25 เมกะเฮิรต์ออกจากวัดป่านาคำน้อยวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ด้วยกิจกรรมของพวกเราและก็พร้อมกันทำไมหลวงพ่อว่าถ่านเราไม่ออกซะเลยเดี๋ยวสถานีวิทยุ ข, ของเราจะเกิดฉนิมใช้ไม่ได้เพราะนั้นนานๆทีพวกเราก็ท ด, ท ด, ทดสอบทดสอบทดลองดูว่า สถานีของเราเนี่ยเป็นยังไงพูดจากศาลาเนี่ยไกลเป็นกิโลนะไปถึงสถานีวิทยุเนี่ยมันรับได้ไหมสถานีของเรารับได้ไหมทางนูน้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทดลองสถานีของเราแต่เราก็ไม่ได้ออกแบบพิ่มเพื่อมีความจําเป็นวันสําคัญเราจึงออกคราวหนึ่งครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสานาเป็นวันสําคัญยิ่ง ของวัดของเราเพราะนั้นวันนี้จึงในถือโอกาสออกสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราเป็นพุทธบริษัทบริษัทของพระพุทธเจ้าคือพุทธะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญพวกเราถึงรวมตัวกันมาสู่วัดวาศาสนา แล้วก็ได้ทำพิธีกรรมไหว้พระสวดมนต์ย่อจากนั้นก็จะได้เริ่มพิธีรับศินสมาทานศินคือชำระกายวาจาของตนเองชำระกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเพราะนั้นพวกเราถ้าเป็นไปได้นะหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราพุทธบริษัทเนี่ยสมาทานศินอย่างวันนี้แหละรับสินจากหลวงตาจากหลวงพ่อเนี่ย เป็นศีลพิเศษพอ่อหลวงพ่อให้เป็นศีลพิเศษคือศีลวันสําคัญพวกลูกหลานทั้งหลายควรจะรักษาศีลตลอดทั้งวันจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้ก็รักษาศีลห้าวันพรุ่งนี้อาจจะรักษาศีลนโบสถก็ไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนถ้าเราเคยเป็นเคยไปบวชเป็นชีพราหมณ์แล้วก็ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ที่เราไปบวชเราก็คงจะรู้แนวทางว่า การมีศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้างศีลอุโบสถมีอะไรบ้างเราก็ควรจะรักษาศีลทั้งสองวันถ้าเป็นไปได้นะคือ14คสี่ค่ำสิบห้าค่ำจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราตลอดไปนานเท่านานเพราะเหตุว่าเราปล่อยป่าละเลยมาปีหนึ่ง365วันเราจะรักษาคุณงามความดีเพียงสองวันไม่ได้เหรอถ้าหากว่าเรา จะรักษาเพียงคุณงามความดีเพียงสองวันก็ยังไม่ได้แสดงว่าเราเป็นอะไรฮเป็นอะไรฮไม่คลองถ้าองค์ถ้าใครตําหนิถ้าหลวงพ่อตําหนินะไอ้พวกเราก็คือโมโหให้หลวงพ่อใช่ไหมไอ้ท่าว่าพวกเราเป็นปราดนะปราดบัณฑิตในจิตใจกับวนจะตําหนิตัวเองอุ่นข้าเนี่ยเป็นใครทําไมจึงปล่อยป่าละเลยเพียงรักษาศีลเพียงสองวันเท่านี้ก็ยังไม่ได้เราเนี่ย ชักจะเกินไปจะแล้วมัง้งชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราหชีวิตทั้งชีวิตของเราเสียงเหล่านี้อยากจะให้พระนัศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานโอปนญยิโกให้มองตนเองเอแล้วก็ตตำหนิตนเองและก็ปรับปรปุงปรับปรุงแก้ไขากายว่าใจาใจของตนเองนั่นละเลิศประเสรนะิฐ เ, เพราะนั้นวันนี้จึงหลวงพ่อจึงให้สมาทานศีลห้าศีลห้าก็คืออะไร ห่ข้าไปเจ้าไม่คิดฆ่าอไม่รู้ว่าฆ่าสัตไม่รู้ว่าฆ่าผลฆ่าทั้งหมดะในเมื่อไปฆ่าเขาเอเขาก็มีไม่มีอะไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อไรเขามาคิดฆ่าเราเราจะเทือนใจแน่ๆน่ไม่รู้ว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าวงศาระฆานายาติของเราเราจะเทือนใจแน่ๆในเมื่อเราไปฆ่าเขาเราเฉย เพราะเราได้เปรียบเขาไนี่แหละมนุษย์มันเห็นแก่ตัวหลวงตามหาบัวท่านพูดเพราะฉะนั้นยาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าท่านเป็นกลางท่านเป็นธรรมท่านบอกว่าอย่าคิดฆ่ากันเนาะถ้าเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาก็เหมือนกันนะั่นแหละจะเตือนใจเขาก็เตือนใจเราก็เตือนใจเขาก็ทุกข์ใจเราก็ทุกข์ใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าทําใจให้เป็นธรรมแล้วไม่คิดอยไม่ควรคิดฆ่าคนอื่นเขา ที่นาทานก็เหมือนกันอยากคิดขโมยคนอื่นเขาเอาถ้าเห็นของคนอื่นเขาเผลอเผลอเขาหลงเขาลืมเขาทิ้งไว้เราก็หยิบฉาบช่วยไป เ, เมื่อเขากลับมาหาของเขาเขามาเห็นของเขาเขาก็เสียใจทกใจกับสิ่งของที่เขาหายไปถ้าเป็นของเราเราเราดีใจใช่ไหมเมื่อของเราหายเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดขโมยกันะเออถ้าคิดดูแล้วก็ใจคิดถึงใจเขาด้วย โอ้ทำไมลืมเน่ยเราเก็บไว้อย่างพราวินัยของพระสงฆ์ถึงใครจะลืมของอะไรก็ตามในวัดพระต้องเก็บไว้ถ้าไม่เก็บไว้ปรับเอาบททุกกฎกับพระที่เฉยเมยไม่เก็บของเขาไว้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นอนำ้ำที่ว่าภิกษุห้ามไม่ให้จับเงินจับทองก็ตามแต่ถ้า่าเป็นของของเขาเถึงจะเป็นอาวุธปืนก็เถอะ อถ้าเป็นของถูกต้องตามกฎหมายนะเอก็ต้องเก็บไว้เพราะเหตุไรเพราะมันทํามันเสียหายคือมาปรับเอาบัตรทุกกฎวเว้นเสียแต่เราไม่มั่นใจปืนตัวนี้มันปืนเถื่อนหรืปืนอะไรเราก็ไม่ควรจะเข้าไปใกล้เหมือนกันแต่ดูดูถ้าจะเป็นปืนตํารวจเนี่ยตำรวจเริ่มนะตํารวจมันก็ต้องรักษากฎหมายอยู่แล้วในชะ่ไหมอันนี้เราก็ต้องเก็บไว้ให้เขาถ้าไม่เก็บไว้ปรับเอาบัตรทุกกฎ อันนี้คือพระนะไม่ใช่ว่าเห็นของเขาตกเลี่ยเหี้ยเลี่ ย, ล, ยลาก็ถือไปขโมยไปไม่ได้ออันนั้นก็แบบเมื่อเขามาทํากับเรา่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเมื่อเราไปทํากับเขาเขาก็เสียใจอันนี้ก็คือศิลข้อที่สองข้อที่สกาเมสุมิจซาจาราวรัมเณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาขอกรักสมวนห่วงเห็นของเข า, เาในวงสาคนาญาตของเขา ถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียใจแต่เมื่อเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเออให้ เคารพกันอย่าไปโกหกเขาอย่าไปหลอกลวงเขาต้มตุนเขาอันนี้คือสิงข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชะการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเมาคนเมา ค, คนเมาคือคนเมาเกิดเกขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าดื่มสุราต้องขาดสติ เสพคัญชายายาฝิ่นเฮโรอีนกินยาบ้ายามา้าต้องขาดสติเราจะไปทำทำไหมเมื่อทำแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วได้อีกต่างหากฆ่าพอ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมาียสามีภรรยาทำอะไรความชั่วเสียหายได้ทั้งหมดเพราะขาดสติเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศินคุ้มของโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นถุกท่าเป็นผู้มีศินทุกคนเป็นผู้มีศินแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไปณักสถานที่ใดก็อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะเป็นผู้มีศีลด้วยกันเพราะฉนั้นศีลของพระพุทธเจ้าพวกเราอยากมองข้ามเพราะฉะนั้นปลาทั้งหลายท่านจึงบอกกล่าวว่าการรักษาศีลนี่ยชั่วช้างกระทบหูก็ยังเป็นศีลทําให้โลกเย็ร่มเย็นเป็นสุขชั่วขณะงูแลบริ้นก็ยังมีความร่มเย็นเป็นสุขยังเป็นที่ไว้ใจกันในช่วงนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกคนวันนี้เป็นวันสตาร์ทนะวันขึ้น14บ่ค่ำวันพุ่งนี้เป็นวันจริงจังเป็นวันพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาบูชาด้วยการกระทําบูชาด้วยอามิด อ, อามิตรก็คือดอกไม้ของหอมปฏิบัติบูบชาคือทําตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ อาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมภัพเตสีเลนานิพพิงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยสาธุเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังลูกหลานใครเสียงอ่อแอ้เมื่อกี้เนี่ยเอาออกห่างๆนะ ใครเป็นพอ่อเป็นแม่เอาออกไปไกลๆไว้ก่อนเหลียงหลวงพอ่อหลวงตาเทศจบแล้วยังค่อยออกเข้ามาเพราะว่ารบกวนคนอื่นเขาใหญ่เชก่อนเอาเข้าม า, าค่อยมาฟังหลวงตาพูดเดี๋ยวนี้มันยังไม่ฟังเอาออกไปไกลๆก่อนไม่ต้องมีเสียงรบกวนคนอื่นช่วงนี้เป็นช่วงฟังนะวันนี้เป็นวันเตรียมพร้อม เป็นวันสําคัญในวันพรุ่งนี้วันพุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูช า, าโลกทั้งโลกถือว่าเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้เขายกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําโลกหรือเป็นศาสนาหนึ่งในโลก เ, เป็นวันถือว่าเป็นวันสําคัญลดธงขึงเสาเคารพในพระพุทธเจ้าของพวกเราถือว่า เป็นวันสําคัญประเทศชาติชาติไทยของเราก็ประกาศกันทั่วท่วนกันว่าให้เป็นวันสําคัญพระพุทธ ศ, ศาสนาสําคัญชะไหนอันนี้ให้พวกเราศึกษาไม่ใช่แบบคนโบราณถือมาพวกเราก็ถือไปไม่ใช่พวกเราให้ศึกษาดูสิว่าพุทธศาสน า, าเป็นาศาสนาเหตุผลาศาสนาพระพุทธศาสน า, าเป็นาศาสนาที่พิสูจน์ได้ อไอไตราเขาอย่งพูดว่าถ้าให้ผมนับถือศาสนาเนี่ยผมจะนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้เขาเขียนไว้นะแต่เราก็ไม่ได้เกิดเราก็ไม่ได้ยินจากปากไอไตร์นะแต่เขาเขียนไว้อย่างนั้นเราก็พูดตามแต่เราก็คิดว่านักวิทยาศาสตร์ระดับที่ทําระเบิดปรมาโนถึงขนาดนั้นนะเขาอย่างยอมรับพระพุทธศาสนาเนี่ยคือศาสนาเหตุผลนีพูดอย่างนั้นได้นะ ถ้าว่าใครจะไปค้นคว้าเลยจะตรายพูดจริงหมอันนั้นก็ไปค้นคว้าดูก็ได้นะนี่เราได้ยินมาอย่างนี้หลวงพ่อก็พูดตามเราก็อื้อใช่เรายอมรับว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นาศาสนาเหตุผลจริงๆเราจะพูดในแง่มุมใดในเรื่องแนวความคิดเรื่องการเป็นอยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนกันให้มีความเมตตาต่อกันบางคนก็บางครั้งบาง คราวอารมโมโหโกธาบางทีก็ให้อภัยกันถ้ามันเกินไปก็เออเอาจับเขา้าคุกเข้าตลางไปตามขั้นตอนแต่ถึงยังไงก็ยังมีเมตตาอยู่ทำไมเขาคิดใจของเขาทำไมคิดอย่างนั้นทำไมเขาจึงมีความรู้สึกอย่างงั้นทำไมเขาจึงโผษอย่างงั้นในใจของพวกเราชาวโพดก็ต้องมีเมตตาในใจอีกเหมือนกันว่าทำไม เขาจึงคิดได้อย่างนั้นคือในความในเมตตาไม่ไม่มีการเขาบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้พยาบาทอาฆาตจองเวนมันถ้าใครถ้าใครไม่มีความคิดเห็นอย่างเราข่ามันเทงทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉนั้นเราคิดในมุมมุมแง่มุมใดเราก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้พูดออกมาตรัสออกมาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำมาบอกกล่าวได้นำสั่งสอนพวกเราเราก็เห็นด้วยเพราะนั้นเราจึงลงหุ้นเข้าหุ้นบริษัทนี้เพราะเราเห็นด้วยเห็นด้วยกับบริษัทนี้จะทำผลกำไรให้กับเราพวกเราจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจในการเป็นอยู่ของพวกเราพวกเราจึงลงขันลงทุนกับบริษัทนี้ เพรา ะ, ะนั้นเราจึงเข้าหุ้นว่าเราเป็นพุทธบริษัทเออเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์เออเขารบนับถือเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละในเมื่อเรานับถือเรื่มใสเราก็ศึกษาอะไรจริงไหมเออที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างไรศีลท่านสอนอย่างไงมีเหตุผลอย่างไงท่านจึงให้มีศีล และสมาธิท่านทำจิตใจให้สงบท่าน จ, จิตจบจิตใจสงบอย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ในป่าถึงหปีวันที่วันตรัสรู้หรือวันพุ่งนี้นะคอ่องพรอบ2 5 5 8ปีให้หลังที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่พุทธคยามีทีมมาที่ไปอีกต่างหากนะพุทธคยา พอพระองค์นี้ออกจากเวียงวังไปศึกษาที่ทั้งหปีไปค้นคว้าศึกษาหาธรรมจุดนี้น่ะแต่ ว, ว, วันสูตรสําเร็จหรือวันสําเร็จที่วันที่พระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าที่ไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยสำเร็จวันน่ยคือวันพรุ่งนี้แหะวันเดือนหเแผ่นที่พุทธคยาที่โคลนต้นโพท่านก็พูดชัดเจน ท่านทำยังไงท่านกาในวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ในวันนั้นยังไม่ตกดินฮะพระอาทิตย์ยังมีแสงสว่างอยู่มองเห็นได้ชัดเจนก็คงจะประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นเนี่กำลังหน้านี้นะจากนั้นนายโสทิยะไปเกี่ยวหญ้าคาผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังก็คงจะไม่สะดวกคงจะไม่สบายนี่ยคนที่ คนที่มีศรัทธาคนที่เลื่อมใสกันนะอคนที่เห็นกันเนเอยมองกันในแง่เหตุแง่ผลนะโอ้ท่านสิท ธ, ธัตถะคงจะไม่สบายนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพนลากต้นโพลอยขึ้นมาจากดินแค่ๆว่ะต้นโพก็ใหญ่ต้นโพเก่าแก่ในี่ยเพวกเราก็เห็นเนี่ยเอไปเห็นเนี่ยนั่งรากโพลอยขึ้นมาตะปุ่มตะปั่มฮะหลากเล็กหลักน้อยคงไม่สบายสิทธัตถะเห็นทั้งที่จะเอาหญ้าไป ไปมุงหลังคาบ้านตนเองพอมาเห็นที่นั่นก็ออมอบยาคาให้เลยแปดกำมือเแปดกํามือก็คงจะข้างละสี่กำมือนะพอหาบมานะเนี่ยจากนั้นก็มอบให้ท่านสิท ธ, ธัตถะทําให้เป็นที่นั่งเถอะนะผมมอบยาคาให้ท่านสิท ธ, ธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเร า, นะาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ยังเป็นสิทธัตถะอยู่ใช่ไหมนายโสตที่ยากระดมนายาคามอบให้แปดกำมือ เมื่อพระพุทธองค์ได้ยาคา8กำมือพระพุทธองค์ข็หาทำเลที่นั่งหาทำเลที่นั่งและจะนั่งที่ไหนท่านก็มองหามุมก็ได้ทางทิศตะวันออกอได้ทำเลทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นสิทธัตถะท่านก็ได้นำยาคาอีกสกำมือเกลี่ยลงไป จากนั้นได้อีกสี่กำมืออีกเกลี่ลงไปสลับหัวสลับหางนะพูดอย่างไงพวกเราก็คงเห็นยาคาร์เป็นยังไงทางหัวมันก็เรียบทางหางมันก็ทางหางมันก็ฟูใช่ไหมล่ะเนี่ยก็สลับกันพอมันประสานกันมันก็ตรงกลางท่อหางมันประสานกันมันก็เป็นฟูที่ตรงกลางเป็นอาชนะอย่างดีๆนั่นเองจากนั้นเมื่อท่านปูอาถนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็หาทำเลอย่างที่ว่าจากนั้นขึ้นเป็นนั่งท่านก็ขึ้นเป็นนั่งอาสนะที่ยากาที่ปูไว้เป็นอาสนะทิพย์เราจะว่าบรรลังก็ใช่อาสนะก็ใช่อาสนะนั่นแหละเ<ม>อพราะมันบรรลังก็คือคงจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมอันนี้เป็นอาสนะนปูกับพื้นดินจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นเป็นนั่งบนอาสนะอที่ปูด้วยยากาแปดกำมือจากนั้นพระ อ, องค์ก็หันพระพัก คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากนั้นพระองค์ก็ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าจากนั้นพระองค์ก็ลําลึกถึงเอง้เราเคยเป็นกุ ม, มารสมัยเป็นแลกนาขวัญกับพระบิดาสมัยเป็นเด็กพ้าพี่เลี้ยงที่ไปดูแลเราก็ไปดูการแลกนาขวัญของพระบิดาปล่อยให้เรานั่งอยู่ที่โคนต้นว่าตามลาพัง แต่เราพอไม่เห็นพี่เลี้ยงนางห น, มนุมหนีไปหมดเราลุกลุกขึ้นมานั่งที่คโคลนต้นว่า เ, ออเรานั่งขัดสมาธิแล้ว เ, เรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสมัยเป็นกุ ม, มารใจของเราได้รับความสงบเป็นสมาธิเกิดเป็นฌานขึ้นมามีความสุขจริงในช่วงนั้นอันนั้นกําลังเป็นหนทาง อันนี้ท่านดึกดนึกย้อนหลังไปสมัยเป็นกุ ม, มารนะอันนั้นกำลังเป็นหนทางฮะจากนั้นท่านก็น่าจะนําน่าจะนําแนวความคิดที่เราทําในคราวนั้นแต่ว่าพวกเราก็ะสงสัยอไอ้สมัยเป็นเด็กเล็กขนาดนั้นทําไมจึงจึงทำได้จึงคิดได้ยังไงทําได้ยังไงอันนี้คือเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บํำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาตินะ เป็นลือศีชีภัยมาเท่าไหร่ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมากี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติศีอสงไขยกําไรแสนมหากับ เ, เกิดมาเป็นลือศีชีภัยเกิดมาปฏิบัติทีนี้อนิสัยอุปนิสัยของท่า น, นมันผุดขึ้นมาในใจเราควรจะทําอย่างไรทีนี้ในสมัยเป็นเด็กจิตตถาท่านก็ลงนั่งขัดสมาพิธิโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ได้สอนเลยล่ะ ท่านก็ทกําจิตใจให้สงบเกิดญานธาตุเกิดญานธนะาตุทัศนะเกิดฌานขึ้นมาในช่วงนั้นาจากนั้นมานางผี่เลี้ยงนางนมเข้าม า, าแต่หลวงพ่อจะไม่อธิบายในรายละเอียดในจุดนี้นะแต่พระพุทธเจ้าที่อยู่โคลนต้นโพลในสิทธัตถะอยู่โคลนต้นโพลท่านเอาเรื่องแนวความคิดหรือแนวปฏิบัติของอกุ ม, มารกุ ม, มารสิท ธ, ธัตถะจะหมายเป็นเด็กนะี เอออันนั้นกำลังเป็นหนทางจากนั้นท่านก็นั่งคัดสมาธิพอนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้แหละคือวันเดือน6กเพนนะศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลาน พอพระพุทธเจ้าท่านทำและวิธีการทําวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติของพระพุทธองค์อย่างนั้นท่านไม่ให้ใจของพระองค์คิดไปในอดีตไม่ให้ใจคิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น ในวันนั้นจากนั้นพระไทยคือใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกนึกคิดของพระ อ, องค์รวมเข้ามาสงบเป็นหนึ่งพอรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัตนะเกิดฌานขึ้นม า, เ, าเกิดฌานขึ้นมาท่านพูดเป็นพระบาลีว่าปุเพนิวาสานุสติญาณปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติขนหลังได้นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นฌานครั้งแรกเป็นฌานขั้นแรก ในที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันเดือน6เพนนนั้นฮะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแขวของพุทธะที่พวกเราเป็นพุทธบริษัทจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้เออไม่ใช่ว่า พ, พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเออเป็นอินเป็นพรหมเป็นกายศยศิ์มองไม่เห็นไม่มีใครรู้ว่าที่ไหนมาก่อนไม่ใช่เออพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลเป็นลูกกษัตริย์กรุงกบิลพัท แล้วก็เห็นเกิดความเห็นอันนี้เห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงเสียสละหนีออกจากเฟียงวังไปกลางคืนไปกับนายชันนะหนีออกจากกรุงกบิลพัทไปถึงแม่น้ำอโนมาณทีห่างจากกรุงกบิลพั์ประมาณ200กว่ากิโลทุกวันนี้นะคนทุกวันนี้เขาวัดได้ใช่หเขาเอาเครื่องวัดเลยก็วัดได้จากนมาถึงที่ที่ ระยะทางเท่าไรเขาวัดได้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ประมาณ200กว่ากิโลไม่ใช่ไกลเหมือนกันน ะ, ะจากนั้นพระองค์ก็เนี่ยไปบำเพ็ญอยู่ที่นั่นนจากนั้นก็ได้จัตรู้วันพรุ่งนี้แหละได้ จ, จัตรร้พระอนุตระสัมมาสาัมโพธิญาณนะหลวงพ่อจะไม่อธิบายในรายละเอียดพอหลวงพ่อได้พูดมามากแล้วจุดนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามให้เราพุทธบริษัททั้งหลาย ให้มั่นใจว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอน 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ท่านสอนยังไงท่านคิดให้คิดยังไงแต่บางคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนานาจิตต่างนานาทัศนะนี่ก็ น, น่าคิดอีกเหมือนกันนะบางทีท่านสอนให้คิดอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้ตาตามลำบางคิดมันก็คิดอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันอหลวงพ่ อ, อได้ยินได้ศึกษาในพระไตรปิฎก ความคิดของคนบางทีก็นน่านึกขำขำนะบางทีกันนึกหัวเราะนะทำวันทำใหม่แต่มาพิจารณาดูให้เป็นธรรมแล้วก็เหมือนกันนิ้วมือของเรานะทำไมนิ้วโป้งมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วกางนิ้วก้อยมันทำไมยังเป็นอย่างนี้เราจะให้คิดเสมอกันการทำเสมอกันมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครคิดแปลกแตกต่างเราเราก็จะไปโมโหให้เขานะ เ, ออเราก็เออเรื่องของเขา เรื่องของแต่ละคนหนอกรรมของแต่ละคนการการะทามาไม่เหมือนกันหนอจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ญาติตายายเป็นครูบาอาจารย์กนะ็เถอะนะเป็นหลวงปู่หลวงตาของเราก็เถอะเป็นน้องๆของเราก็เถอะเป็นหูดมิตรสหายของเราก็เถอะเออทำไมันคิดไม่เหมือนกันทั้งนั้นแหละเออทาไมถึงว่าคิดไม่เหมือนกันหลวงพ่อจะพูดเป็นชาดกให้ฟังนะพวกเราจะได้เรียงลาดับจําได้จําได้ง่ายจะเป็นชาดกนะ ถ้าพูดจบๆจะได้ลูกห ล, กลานกับจับต้นชนไปลายไม่ถูกเหมือนกันถ้าพูดเป็นชาดกให้ฟังแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นนิทานขึ้นมาเนะี่อพวกเราจะจําได้เออเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยชอบพูดให้ให้ลูกหลานได้จําได้ไง่ายๆเลยไปนสถานที่ไหนให้เปรียบเทียบใช้แนวความคิดใช้ปัญญาเ อ, อการคลองไตร่ตรองเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงเพราะเหตุใด หลวงพ่อจะให้ใช้ปัญญาอย่างนั้นนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าได้ใช้เขามาจะมาถกมาเถียงมาด่ากันไม่ใช่ให้เปรียบเทียบ ก, กับตนเองอย่าปัญญาที่ได้มาแล้วนะ่ะอันไหนควรไม่ควรอย่างไรปรปับปรุงกายวาจาใจาของเราให้เป็นคนดีให้คิดดีทดําดีพูดดีอันไหนคิดผู ก, ผกถูกท่านเราเขาคิดผิดจากเราเราก็จะไปโมโหให้เขา เราก็แนะนำเขาซะถ้าเขาไม่ยอมหัวชนฝาทีเดียวเราก็ต้องยอมเออใช่แนวความคิดเนี่ยมันมันแตกแตกต่างกันนะอย่างหลวงพ่ออินเล่านิทานให้ฟังชาดกให้ฟังนั่นแหละนะ อ, อ้พวกเราจะได้เปรียบเทียบนะเอหลวงพ่อจะเปรียบเทียมฟังคือเนี่ยนางวิสาขานะเนเี่ยเมะเกษทีในกรุงสาวัตถีแต่ก่อนเขาอยู่ที่กรุงราชาคื อ, อ, อพระเจ้าปัดเสษที่โกศนไปขอ ไปขอเศรษฐีมาเพราะเศรษกุงซัลุงราชจะคือเศรษฐีมีมาก เ, เขาก็เลยทั้งที่พระเจ้าปเสณกับพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยเป็นพี่พี่น้องน้องเป็นใครๆว่าเป็นตระกูลคนหนึ่งไปได้สะพายคนหนึ่งได้เขยลักษณะอย่างนั้น อ, ะอ่ะท่านี้ก็ท่นี้พระเจ้าปเสนก็เห็นว่าเศรษฐีเมืองตัวเองนี่น้อย อ, อ, อยากจะได้เศรษฐีเมือง กุงราชจะคืนะ่ะไปเสริมเข้าคนร่ํารวยไงก็เลยมาขอเศรษฐีจากกุงราชจะคืพระเจ้าพิมพิสารก็อ้าวได้ประกาศใครจะไปเป็นไปจะไปเป็นอยู่กับพระเจ้าพิมพระเจ้าปเัเสียนที่โกศลกรุงสาวัตถีก็เมนทกะเศรษฐีนะี่ยสมัครใจพอสมัครใจไปก็พระเจ้าปเัเสียนก็ยินดีแล้วก็ยกทัพเอาทหารล้อมรอบ ดูเดูแลอย่างดีเพื่ให้เขาป้นมีให้มีเกิดปัญหากลางทางพอมาถึงเมืองสาเกตเมืองสาเกตก็ไกลจากกรุงสาวรรค์ถี่พอสมควรแต่ไปมาหาสู่กันได้ง่ายอย่างถ้าจะเปรียบเทียบกันนี่แหละคล้ายๆกับเมืองปทุมกับเมืองกรุงเทพลักษณะอย่างนี้แหละที่ทำเลก็เหมาะเมธะเศรษตรีก็บอกพร้อมชั้นจะขอตั้ง เมืองอยู่ที่นี่เพราะว่าบริษัทบริวารมากขอตั้งอยู่ที่นี่ได้ไหมพระเจ้าเปรต เ, เออได้ก็เลยตั้งเป็นเมืองสาเกตขึ้นมาอันนี้คือเมืองสาเกตนะเป็นเมืองเมนทะกะเศรษฐีคือเมืองบ้านพ่อบ้านแม่ของนางวิสาขามาจากกรุงกระบินบางจากกรุงราชสกุลพอจากนั้นคือตั้งขึ้ น, นมาเสร็จแล้วก่อนน้านันะ้เป็นเศรษฐีใหญ่จากนั้นก็ได้อุปถัมภะพระ พ, พุทธเจ้าคือในชาตินี้นะ พระพุทธองค์บอกว่าเมเเธากาเสษฐีเนี่ยในอดีตชาติเขาเคยรวยมาตลอดมาแล้วเขาทําคุณงามความดีมาตลอดพระสงฆ์ก็เลยกระทูลถามาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เล่าเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งท่านก็พูดท่านก็ตรัสว่าเนี่ยเมธากาเสษฐีเนี่ย เ, เขาอยู่ที่กรุงพาลานสี เ, เป็นเศรษฐีใหญ่ล่ํารวยที่สุดในสมัยนั้นแต่ มีลือศีเออลือศีชีภยัยเขารู้จักอดีตอนาคตเออคล้ายๆว่าเขาทํานายเขาดูได้เลยว่าอนาคตต่อไปภายภาคหนะ้านี่จะเป็นอย่างไรลือศีท่านมียานรัศนะเออคล้ายๆว่าเออไม่ใช่หมอดูหมอเรานะแหมหมอดูหมอเราไอ้ต่างหากทายผิดทายถูกทายไม่ถูกแล้วก็แล้วไปทายถูกแล้วเออข้ทาทายถูกจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ลือศีเนะี่ยท่านรู้จริงเออรู้แจ้ ง, จงเห็นจริงในจริง ท่านบอกว่าท่านเศรษฐีตั้งแต่บัดนี้ไปให้ท่านเตรียมตัวนะตั้งแต่ปีนั้นปีต่อไปเนี่ยฟ้าฝนจะแรงเจดปีเจดเดือนเจดวันนะเจ็ดปีเจ็ดเดือนแถมเจวันอีกนะฝนจึงจะตกเพราะนั้นให้ท่านข้าวยากหมากแพงแน่ๆเลยไม่มีดอกน้ำท่านกักตุนไว้เลยเรื่องอาหารเศรษฐีพอได้ยินเท่านั้นก็ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะเชื่อในลือสีที่ท่านรู้อดีตอนาคตจากนั้นลือสีก็ตั้งสารข้าวบ้ากใหญ่หลายหลาฉางทีเดียวได้ข้าวมาแล้วก็ซื้อมะก็ยัด ย, ยัดสายยัดชายอบให้แห้งแล้วแล้วก็ฝาผนังฝาผนังไอฉางข้าวนี่ยเขาก็เอาคนสมัยหลวงพอ่อบ้านนอกเขาเอาขี้ควายนะอพอขี้ควายเสร็จแล้วเขาก็เอาข้าวเนี่ เราเข้าวเปลือกเนี่ยผสมผสมกับขี้ควายกระทาเป็นปูนฉาบฝาผนังอ่าฝาผนังไม่ให้ข้าวมันลวกออกไปเนี่ยนะอันนี้เขาก็ใช้ข้าวข้าวเปลือกเนี่ยกับขี้ควายผสมกันเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นปูนซีเมนต์ฉาบอฉาบฉางข้าวนะอ่าหลายฉางม้กใหญ่นี่ก็ว่าเพียงพอแล้วมั้งกันเถอะเออเศรษฐีเต็มเตียงพร้อมเลย เออใครก็ okay. วเตรียมพร้อมต่อความแห้งแล้งตกไม่ได้ทํำไรทนะํานาเจปีเจดเดือนเจวันแต่นี้กกับมันถึงวันหมดแรงจริงๆเถพอแรงแต่คนก็หลังไหลมาขอข้าวเถอมาขอข้าวเจ็ดที่จะทํายังไงได้ใช่ไหมลูกน้องบริวารเอาทหารล้อมรอบขนาดไหนกเน็เถอะเถอที่แรกกระจายใหญ่ลตักให้ตักให้ตักให้ใหมันมันเยอะเทีพอต่อมาแล้วก็ค่อ ย, ค, อยค่อยเอาให้แล้วก็จัด ก, กัดคนที่อยู่ใกล้เข้ามา ออพอในสุดก็ไล่คนออกมดเถื่อนเ อ, อ, เ อ, อยังเหลือแต่ครอบครัวไม่หมดมันหมดข้าวเลยเีื่เอเลยพอในสุดวันสุดท้ายเลยไปกระเทาะไปกระเทาะฝาฝาฉ า, างข้าวนั้นมากระเทาะแล้วก็มาเก็บมเมล็ดข้าวมาเก็บเก็บเก็บพอได้เท่าไหรก่ก็มากระเทาะข้าวแล้วมาแกะเป็นเม็ดเลยเถื่เอเลยก็มาหุงต้มแปลว่ากินอย่างนั้นมา จนหมดทุกฝ า, กฝากแล้วว่ากันเอฝาฉาบข้าวนยังเหลือฝาสุดท้ายวันนั้ น, นอ่ะพอทำเสร็จแล้วก็ไม่ให้ใครรู้ใครเห็นแล้วว่ากั น, นเอเพราะมีมีหคนท่านเองมีคือมีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสาวและก็มีคนใช้หญิงคนหนึ่งคนใช้ชายคนหนึ่งเป็นหคนปิดประตูอย่างดีเลยเอพอถุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ให้ใครรู้ใครเหตุแล้วกันกินมือสุดท้ายแล้วมือนี่ยไม่มีอะไรหมดอีกแล้วกระเทาะหมดทุกฝาแล้วแต่นี้กำลังกำลังล้อมวงกันอยู่แต่พระเระเจกพุทธเจ้าท่านอยู่ในภูเขาขันธารรมาต์ป่าหิมะผานะท่านก็คงจะหิวอีกเหมือนกันมั้งท่านก็เข้าฌานชมาบัดเห็นแล้ววันนี้เราจะไปเอาอาหารขอเเอาทหารที่ไหนนาะ เห็นแต่พวกเศรษฐีหกคนยมปิดประตูะปิดประตูบ้านเออคหาสตัวเองไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกเลยมีแต่พวกเขาหกคนกำลังจะล้อมวงข้าวกันอยู่พอประเจ้กับท่านมียานทัศนะท่านมีฌานท่านมีอิทธิฤทธิใช่ไหมละ่ะท่านก็โว oh ้ปุป๊บลงมายืน <laughs> มายืนอยู่ตรงหน้าตรงหน้าไอพวกเขาเหล่านั้น ไอ้พวกนั้นเขาแยนหน้าดูพระปฏิจเจกท่านี้ไอ้คือพระปฏิจเจกคํานี้เนี่ยมาคายคายว่าถวายมอบกายถาวายชีวิตทั้งจิตทั้งใจให้เลยแหละวา่ากันเถอะเออคำว่าพระปฏิจเจกมาโปรดถึงขนาดนี้ไอ้ท่าพระปฏิจเจกก็ยืนแน่งไอ้พวกนี้ก็มองหน้ากันเออพวกเราเสียสละนะเอาไงไอยผมผมขอถวายพระปฏิจเจกพุทธเจ้าเอทางผู้พ่อเนีย ทั้งผู้เมียเอา้าฉันก็ถวายทั้งลูกทั้งเอา้าฉันก็รยเอาผมก็ถวายเออถวายหกขันได้เหมือนกันเถอะเออหขดหกขันข้าวเนอะถวายพระปเป็พเ จ, พ ร, พ, จพระไตรจ้าวพระไตเจ้าพระเปโจรพระไเจ้าก่อนยืนนิ่งเมื่อถวายแล้วเอา้าพวกท่านจะปรารถนาอะไรต้องการอะไรเออพระผู้พ่อนอะโอ้สาธุเนอะข้าไปเจ้าเกิดมาในภพใดชาติใดเออ ถึงยังไงก็ขอให้ข้าวเต็มยุงเต็มฉางอย่างเก่าจะให้ความคำว่าขาดตกบกพร่องอย่าได้มีกับข้าพเจ้าตลอดเน่องข้าพเจ้าพ้นทุกในวัฏสงสารถึงพระนิพพานทางผู้เมียขอสาธุนะข้าพเจ้าได้ทำบุญในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้ได้ข้าวสวยเนี่เต็มหม้อเต็มโอ้แจกไม่รู้จักหมดจักสิ้น แจกใครใครใก็ไม่ให้รู้จักหมดทั้งผู้ผัวทางผู้นั้นก็เหมือนกันถ้าแจกข้าวสารแจกข้าวเจ้าแกกเข้าเปลือกไม่ให้รู้จักหมดปาถนาให้มีข้าวเต็มยุง้งเต็มชางเต็มไปหมดอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วกระจกคู่คนก็จะให้ขาดตกบกพร่องกินอย่าได้บกจกได้ลงอย่าได้ลงเหมือนกันคือใครไม่ให้เต็มพ่องไม่ให้พ่อ ง, งทางแม่บ้านเนี่ยบอกตักข้าวให้แกใครก็ตามอย่าได้ขาดตกบกพร่อง อให้แจกคู่คนให้ทั่วถึงทางลูกชายเนี่ยเป็นคนชอบเงินชอบทองไงสาธุนะพวกข้าเกิดได้พบได้ชาติใดพวกข้าเกิดได้คําว่าเงินทองทรัพย์ ส, สมบัติยจาให้ได้ขาดตกบกพร่องอกับข้าไปเจ้าเอาแจกจ่ายให้ใครกับใครฟังจะให้มีขาดเอจะให้ขาดตกบกพรองให้รวยอยู่ตลอดอคนหนึ่งลูกสก ส, สาวชอบสวยงามที่แรกไะ สาตูเนอร์ข้าวพเจ้าเครื่องประดับอะไรก็ตามที่ข้าพระเจ้ามีจะให้ขาดตกปกพ่องในเครื่องประดับสวยงาม เ, าเงินคำทรัพย์สมบัติให้บริบูรณ์แต่มาถึงคนใช้คนใช้หญิงคนใช้หญิงสาตูนเนอผู้ข่าปัดกวาดทาความสะอาดบ้านของเจ้านายาให้สะอาดอยู่ตลอดลเวล า, าสิ่งของอะไรที่ใช้ก็จะให้ขาดเลือขาดตก แต่มาถึงคนดูแลเกษตรดูแลสวนไรนาเนอ้าตุเนอข้าพเจ้าได้ทําบุญในคราวนี้เวลาข้าพเจ้าไถานาที่หนึ่งให้ได้ทั้งหคของทีเดียวฮะเออทั้งที่จะปารถนาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นปารธนาเป็นเศรษฐีปารธนาอะไรได้ทั้งหมดปารธนาให้ได้ไถานาได้หกข่องนี่แหละเรามาพิจนารณาดูซิว่าเนี่ย ตั้งแต่ช้นเศรษฐีเออก็ใช่เหมาะต่อมาอีกก็เหมาะต่อมาอีกก็เหมาะต่อมาอีแต่มอถึงคนใช้เนี่ยสองคนเนี่ยตั้งที่ปรารถนาอะไรจะเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิหรือจะเป็นเศรษฐีจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินปรารถนาเอาได้ทั้งหมดเออเพราะทาบุญกับพระปเจกพุทธเจ้าเพราะว่าวายชีวิตตัวเองกับพระพุทธกับพระปเจกพุทธเจ้าแต่มาปรารถนาเอาอย่างนั้นเนี่ยเรามาเปรียบเทียบว่าคนเรานะ่ะ มันความคิดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องทำใจบางเสียงบางอย่างเราบอกแล้วแนะนำแล้วมันดีแล้วอย่างนี้แต่เขาหัวชนฝาอยู่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็มีตะมองตาแผลแผเอ๊ะเขาคิดได้ยังไงเขาทําได้ยังไงเขาคิดเอาอะไรมาเขาเอาอะไรมาคิดเขามีความอิจฉาอย่างไงเขามีพยาบาทอะไรเขาทำไมจึงคิดอย่างนี้หรือเขาโงา่หรือเขาฉลาดหรือเขาเป็นยังไง อันนี้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูนะเห็นไหมละ่ะขนาดาคนใช้เศรษฐีคนใช้ชายทั้งที่ปรารถนาจะให้ได้ทรัพย์สมบัติหมากมายมหาศาลอะไรแต่กลับไปปรารถนาให้ได้ไถนาะได้หกของถ้าทุกวันนี่ก็คงจะมีเป็นรถไถของเรานี่แหละนะพอไถไปแล้วก็ได้ใสผ่ผานมากๆมันก็ได้หกของ7กียรตของแปดองก็ได้ใช่ไหมละ่ะนี่แหละจากนั้นก็ พอเสร็จแล้วสิเนี่พ่อพรเจกดให้พรนะสิเนี่ยยืนอยู่ให้ท่านให้พรเลยเอวังโหตุเอวังโห ต, หตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาทุกๆ ท, ท, ท่านด้วยเทนะิดจากนั้นพ่อพรเจดก็หอบวับไปเลยมั้งนะาหายวับไปเลยทางเศรษฐีเลยมือนอนกักายหน้าผากไม่ได้กินข้าวเลยนะีนต่อมามันก็หิวข้าวหิวข้าวมันหิวข้าวนะี ก็เลยบอกเมี ย, ยไปดูซิหมอดอยู่ในครัวของเราเนี่ ย, ยที่มันติดมันกังอยู่เป็นเม็ดๆ เ, เอาน้าล้างๆมาเอเอเามากินกินดูซิว่าเอมันจะพออุ่นท้องได้ไ้มวะไปไปดูๆซิแต่เมียก็รู้ๆทางรู้ไปว่าข้าวในหม้อเนี่ยไม่เคยมีให้ติดเม็ดแต่เม็ดเดียวเท่านั้นเถอะแต่จังไงได้เพราะความรักเคารพในสามีในผัวของตนเองเผัวสั่งยังไงก็ต้องไป ูเมียก็เลยไปออพอไปเปิดฝาหมอโอโหอ้อทานเอาโหข้าวเต็มหม้อเลยเหมือนกันแข้าวข้าวอย่างดีอีกต่างโอ้ยอันนี้สงทานของเราข้าวเนี่ยเหกันกลับมากัพวกนี้ก็กินพอกินเสร็จแล้วก็ประกาศเลยทีนี้ทางประกาศไปเปิดด้วยฉางข้าวดูสิไปเปิดดูว้า ง, งข้าวโอ้โหางข้า ว, โโาวเต็มไปหมดเไปเปิดดูคังสมบัติสิครังสมบัติก็เต็ม นางวิสาก็เต็มคนใช้ก็ดูผลนิสัยเอ๊ะความปรารถนาของเราเนี่ยไ ถ, ถายนาทีเดียวให้ได้หกองไปทดลองเลยไอ้เด็กกออกไปทุง่งนาก็ไปไถดูก็ได้หกองจริงๆื่อเงินนี่แหละสรุปแล้วก็คือได้สมความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาเพราะอ น, นิสงในการทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติในชาตินั้นเนี่ยเมนทะกะเศรษฐี คือตระกูลของนางวิสาขาทั้งงพี่ชายทั้งนางวิสาขาทั้งพอ่อทั้งแม่ท่านเป็นเศรษฐีมาตลอดเป็นคนดีมาตลอดแปรตดวงวิญญาณดวงนี้ดีมาตลอดนีเอามายาวนานทีเดียวมีแต่ทั้งคุณงามความดีมาตลอด เ, อเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้พบได้ฟังแนวความคิดของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวในแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง เพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาเนี่ยแหละอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะคณะทา ญ, ญาติโยมโลูกหลานเต่องนางวิสาขาเมธกะเศรษฐีเนี่ยบุ ป, ปกรรมระบุพกรรมของเมธกะเศรษฐีที่ท่านสมัยหนึ่งฟ้าแรงฝนแรง7ปี7เดือน7วันแล้วก็ท่านได้ทำบุญกับพระประเจกุทธเจ้าอย่างไรแล้วก็การนาธิษิฐานของคนในบ้านเป็นอย่างไร แต่หลวงพ่อนะี่มาแปลกใจครับเนี่ยนะคนใช้คนไทยนาปราถนอาออันไหนก็ไดนะ้ทำไมจะไปปราถนาเอาให้ได้ไทนาได้หกของนะมันก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะนั้นมาถึงยุคนี้สไบนี้จะเป็นหมูพวกเพื่อนจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นมิตรสหายของพวกเราก็ตามถ้าคิดแปลกแปล ก, แ, ปลกแตกต่างนะพวกเราให้ให้นึกถึงนิทานชาดกของหลวงพ่ออินก็นแล้วกันน ะ, ะนมันคนมันไม่อยู่ในระดับเดียวกัน มันความคิดแตกแตกต่างกันแต่พวกตัวนั้นพอเราต้องปองอนิจจังทุกขังอนัตตาเออเกิดมาในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้เองนเนเาะพออย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเบื่อหน่ายคลายจึงเข้าสู่นิพพานจะมาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัาสงสารเพราะมันความคิดนมันล้าเหลื่อมล้ํากันเหลือเกินมันไม่น่าคิดมันก็คิดไม่น่าทํามันก็ทําทไม่น่าผูดมันก็พูด ทำมาอย่างเป็นอย่างนี้เป็นพราะเหตุนี้เองเนาะพราะพุทธเจ้าพระหันตรสาวกทั้งหลายท่านจึงเกิดเกิดความเบื่อหน่ายใครท่านจึงเข้าสู่นิพพานจะมามาจะไม่ม า, มมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตาการเป็นพ่อเหตุนี้เองหนานะไอะ้พวกเราท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัทอันนี้แนวความคิดแนวหนึง่งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาตอนน่อไป พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนรเทนีเนะา